เจร่นพรท่านผู้มีจิตสััทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆุ ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทําบุญตักบาตมาถวายสังฆทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสุขทางใจและลดความทุกข์ทางใจให้เบาบางลงไปให้อดไปเพราะความสุขความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ความสุขความทุกข์ทางร่างกายและเป็นความสุขความทุกข์ที่ถาวรกว่า <PM. S 2> ความสุขความทุกข์ทางร่างกายถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม่ร่างกายจะมีความทุกข์ใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะความสุขของใจมีมากกว่าความทุกข์ของร่างกายทำให้ความทุกข์ของร่างกาย ไม่มีอิทธิพลต่อความสุขของใจในทางตรงกันข้ามถ้ามีความทุกข์ทางใจแล้วมีความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายก็ไม่สามารถมากรบความทุกข์ทางใจได้เช่นเวลาที่ร่างกายเราแข็งแรงไม่มี โรคภัยไข้เจ็บเป็นอาหารหลับนอนอย่างมีสุขแต่ถ้ามีเรื่องมากระทบทางใจเช่นเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารับไปความสุขทางร่างกายไม่สามารถมาลบล้างดับความทุกข์ทางใจได้ใจของเราจะไม่สบายทั้งทั้งที่ร่างกายเรา มีความสุขมีความสบายแต่เรากับมีความรู้สึกเศร้าใจเสียใจเศร้าโศกเพราะความเศร้าใจความทุกข์ใจนี้มีน้ําหนักมากกว่ามีกําลังมากกว่าความสุขของร่างกายในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีความสุขทางใจถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเจ็บไข้ได้ป่วย อ, อาหารอดอยากขาดแคลนใจของเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายแม้แต่เวลาร่างกายจะตายถ้าใจมีความสุขความตายของร่างกายก็จะไม่มีปัญหากับใจที่มีความสุขพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสารลกนี้ ท่านได้สร้างความสุขทางใจได้อย่างสมบูรณ์ตัดความทุกข์ทางใจได้อย่างหมดสิ้นดังนั้นเวลาร่างกายมีความทุกข์จมไม่มีปัญหากับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหลานตสาวกท่านไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่กลัวความตายท่านไม่กลัวความอดอยากขาดแคลน เพราะใจของท่านมีความสุขตลอดเวลานะพวกเราก็สามารถทำใจของพวกเราให้มีความสุขตลอดเวลาได้ถ้าเรามาสร้างความสุขทางใจกันตอนนี้ส่วนใหญ่เราไปสร้างความสุขทางร่างกายกันเราไปทำงานทำการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายอย่าง อย่างพิเศษเสื้อผ้าก็ต้องมีมากมีราคาแพงแพงบ้านช่องก็ต้องมีใหญ่โตมีราคาแพงแพงเพื่อให้ร่างกายอยู่อย่างสบายแต่ใจกลับมาทุกข์กับการต้องหาเงินหาทองมาซื้อบ้านซื้อเสื้อผ้าซื้อของแพงแพงให้ร่างกายได้ใช้ ใจทุกข์ร่างกายสุขแต่ความสุขของร่างกายนี้ไม่สามารถทําให้ใจสบายได้เพราะใจทุกข์ใจเครียดกับการหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยดูร่างกายของตนเองและร่างกายของคนอื่นเช่นของครอบครัวของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาใจก็เลยมีแต่ความทุกข์ หาความสุขไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่อยู่บ้านใหญ่โตมีข้าวของเงินทองมากมายแต่ใจกลับไม่มีความสุขเพราะใจไม่ได้รับการสร้างความสุขใจก็เลยอยู่อย่างทุกข์ร่างกายอยู่อย่างสุขแล้วความสุขทางร่างกายก็เป็นของชั่วคราว เดี๋ยวต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต่อให้อยู่บ้านราคากี่ร้อยล้านมันก็ไม่มีความสุขแล้วเพราะร่างกายมันเริ่มเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้บ้านช่องะราคาแพงๆเสื้อผ้าราคาแพงๆอาหารราคาแพงๆก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ของร่างกายได้ เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาร่างกายตายไปแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วความทุกข์ทางร่างกายจะไม่เป็นปัญหาเลยพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่ให้ความสำคัญกับการหาความสุขทางร่างกายท่านให้ความสำคัญต่อการหาความสุขทางใจ แทนที่จะเอาเงินทองมาซื้อของแพงๆซื้อบ้านใหญ่ๆซื้อรถยนต์ซื้อข้าวของอะไรต่างๆท่านกลับเอาเงินไปทําบุญทําทานแล้วพุทธเจ้าสละราชสมบัติมีประสาทสามฤดูมีเงินทองมีอะไรมากมายแต่พระองค์กลับไม่สนใจไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีสละไปแล้วก็ไปอยู่แบบขอทาน อยู่ใต้โขนไม้อยู่ตามถ้าอยู่ตามเงื่อนผาอยู่แบบคนยากจนอยู่เพราะท่านเห็นว่าร่างกายมันไม่สําคัญเท่ากับจิตใจถ้าไปคอยดูเลี้ยงดูร่างกายมันก็จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจท่านเลยไม่อยากจะต้องมาทุกวุ่นวาย กับการเลี้ยงดูร่างกายแบบไม่มีขอปีเคดท่านก็นเลยเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิดร่างกายนี้สำหรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวของท่านท่านเห็นว่ามันเป็นคนรับใช้ท่านท่านจึงไม่ไปเลี้ยงคนรับใช้ให้มันมากเกินไปเลี้ยงให้มันพออยู่ได้ก็พอ เลี้ยงเหมือนเลียเ้ยงสุนัขตัวหนึ่งสุนัขเราก็เลี้ยงพอให้มันกินพออยู่ได้ให้มันกินมันละมื้อก็พอแล้วมันจะนอนที่ไหนพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วร่างกายของเราก็เป็นเหมือนสุนัขของเราที่มันรับใช้เราพาเราไปไหนมาไหนแต่เรากลับไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยไปเลี้ยงคนรับใช้มากกว่าเลี้ยงตัวเรา ตัวเรากับไม่เลี้ยงไม่ดูแลปล่อยให้ตัวเราคือใจของเรานี่อยู่แบบอดอยากขาดแครนอยู่แบบไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจพ่อมัวไปกังวลกับการเลี้ยงดูคนรับใช้คือร่างกายแล้วก็ต้องมาทุ่มกับคนรับใช้ว่าคนรับใช้เขาเดี๋ยวต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายเราก็ไม่อยากจะให้เขาแก่เขาเจ็บเขาตาย ก็ยิ่งทำให้เราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจใหญ่แต่อยากยังไรมันก็เขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป <c oughs> นี่คือความหลงความเข้าใจผิดเราไปเข้าใจว่าร่างกายเป็นตัวเราไปคิดว่าคนรับใช้เป็นตัวเราเราก็ไปเลี้ยงคนรับใช้อย่างดีลืมมาดูแลตัวเราเองตัวเราเองจึงไม่ค่อยมีความสุข มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆความมัวแต่ไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงคนอื่นกันไปห่วงคนอื่นไปกังวลกับคนอื่นไม่เคยกังวลกับตัวเองแตว่ากำลังสร้างความทุกข์ให้กับตนเองด้วยการไปห่วงไปเลี้ยงดูคนอื่นคนฉลาดเขาจะต้องกลับมาเลี้ยงดูตัวเขาก่อนเลี้ยงใจดูแลใจ ให้ใจมีความสุขเมื่อใจมีความสุขแล้วจะไปเลี้ยงดูใครก็เลี้ยงได้อย่างสบายจะไม่มีความวิตกกังวลห่วงใยเพราะรู้ว่าเลี้ยงให้ดีอย่างไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็เลี้ยงแบบพอพอเป็นพอไปตามมีตามเกิดพอให้อยู่ได้ก็พอแล้วนี่คือวิธีของคนฉลาด คนจรลาจะมาเลี้ยงดูตัวเองตัวเองคือใจสร้างความสุขใจความสุขใจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากการทำบุญทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วใจจะมีความสุขขึ้นมาเวลาเราทำบุญอย่างวันนี้ พอเรามาทําบุญแล้วใจของเราก็มีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความสุกระดับที่หนึ่งแล้วถ้าเราอยากได้ความสุขที่มากกว่านี้เราก็ต้องรักษาศีลกันเวลาเรารักษาเสียงแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจของเราจะเย็นจะสบายแต่เวลาเราไปทําบาบนี้ใจของเราจะวุ่นวาย จะกังวลจะเดือดร้อนเวลาเห็นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนี่ก็ตกใจแล้วถ้าเราไปทําผิดกฎหมายไปลักทรัพย์ของไข่พอเจอตํารวจก็คิดว่าเขาจะมาจับเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายไม่ได้ไปลักทรัพย์ของไข่เวลาเจอตํารวจเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับดีใจมีความมั่นใจว่ามีตํารวจมาคุ้มของดูแลรักษาเรา นี่คือบุญขั้นที่สองความสุขขั้นที่สองคือการรักษาสิงการไม่ทำบาปจะทำให้ใจเรามีความอบอุ่นใจมีความสุขใจจะไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อนไม่กลัว ก, <ม>กับผลของบาปที่เราทำไว้เพราะเวลาทำบาปแล้วมันจะต้องมีผลตามมาต่อไปไม่ช้าก็เร็ว ก็จะต้องรับผลเราก็ไม่อยากรับผลใจของเราก็เลยไม่มีความสุขคอยกุศวาดกลัวกับผลบาป ท, ที่เราได้ทำเอาไว้ว่ามันจะต้องกลับมาเกิดกับเราสักวันหนึ่งดังนั้นถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมา ใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นใจของเราจะอยู่อย่างสบายไม่หวัว่นไหวไม่หวาดกลัวกับอะไรทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้ทำไปทำอะไรผลจึงไม่มีเกิดกับเราอันนี้ก็คือความสุขระดับที่สองแล้วถ้าเราอยากได้ความสุขระดับที่สามคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เราก็ต้องรักษาศีลแปดกันรักษาศีลห้านี้ไม่มีกําลังพอที่จะส่งให้เราไปปฏิบัติธรรมกันได้เราต้องรักษาศีลแปดเพราะถ้าเรารักษาศีลแปดเราก็จะมีกําลังไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมเพราะเวลาไปอยู่วัดนี้เราก็ไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างที่เราทำอยู่ที่บ้านได้ เชนเราไม่สามารถร่วมหลับนอนกับแฟนของเราได้เราไม่สามารถรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วได้ไม่สามารถดูละครไม่สามารถไปเที่ยวไม่สามารถแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามต่างๆไม่สามารถนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆต้องนอนกับพื้นนอนกับพื้นแข็ง เพื่อที่เราจะได้ไม่นอนมากเกินไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันมาไหว้พระสวดมนต์กันถ้าถือศีลห้านี้อยู่กับบ้านเราเดี๋ยวก็กินข้าวเย็นกันเดี๋ยวก็ดูทีวีกันเดี๋ยวก็ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวกันเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้เกิดความสุขก็เลยไม่มีกัน ใจเราเลยไม่ค่อยมีความสุขกันความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวเวลาเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขพอกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปแล้วเราก็รู้สึกเหงาว้าเวอยากจะออกไปเที่ยวใหม่นี่คือกิจกรรมที่เราทํากันความสุขที่เราหากัน เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวสู้ความสุขที่จะได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบเวลาใจสงบนี้จะมีความสุขมากมากกว่าความสุขที่ได้จากการกินการดื่มการดูการฟังการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่เชื่อลองไปทำดูลองมารักษาศีห้ากันให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีหายังไม่ได้รักษาสีแปดก็คงจะยากยงั้นหันรักษาศีห้ไปก่อนพอรักษาศีห้ได้วันพระหรือวันที่เราไม่ต้องทำงานเราก็มาถือสีแปกันแล้วก็มาอยู่วัดกันมานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์กัน แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขระดับที่สามความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกายนี่คือสิ่งที่พวกเรามาทำกันเวลาที่เรามาวันตอนนี้เราก็มาทำบุญทำทานเอาความสุขขั้นที่หนึ่งก่อน แล้วถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะได้ความสุขขั้นที่สองแล้วถ้าเรารักษาศีลแปดมาอยู่วัดมานุ่งขาวห่มขาวได้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะได้ความสุขขั้นที่สามแต่ความสุขขั้นที่สามนี้ก็ยังไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ถาวรเราต้อง เอาความสุขขั้นที่สคือเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้จักวิธีรักษาความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบ พ, พอเวลาที่เราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่รู้จักวิธีความสุขที่ได้จากนั่งสมาธิมันก็จะหายไป ถ้าเราอยากจะรักษาความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆ เ, เราก็ต้องรู้จักวิธีรักษาวิธีรักษาก็คือป้องกันไม่ให้สิ่งที่จะมาทำลายความสงบความสุขของใจที่ได้จากสมาธิสิ่งที่จะมาทำลายก็คือความอยากต่างๆนี่เองพอเราออกจากสมาธิมา พอเราอยากจะไปเที่ยวความสงบก็จะหายไปความอยากก็จะทำให้ใจเราหงุดหยิดทำให้ใจเราต้องไปเที่ยวถ้าไม่ได้เที่ยวแล้วรู้มันจะลำคาญมันจะไม่สบายใจดังนั้นวิธีที่จะรักษาความสงบของใจความสุขของใจที่ได้จากสมาธิก็คือเราต้องสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยาก พราถ้าไปทําแล้วก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆทําเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาไม่ได้ทําก็จะไม่สบายใจเสียใจหงุดเหงหลาคาญใจเหมือนกับคนที่ติดสุราหรือติดบุหรี่พออยากจะดื่มสุราก็ต้องเอาโซรามาดื่มถึงจะหายโกรธเหง ịch, หายอยากแต่หายได้ไม่นานเดี๋ยวความอยากดื่มสุราก็กลับมาใหม่ก็ต้องดื่มใหม่ และเวลาที่ไม่ได้ดื่มก็จะหงุดหงิดลำคาญใจอาลวาดเพราะว่าใจไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ทำตามความอยากแต่ถ้าเราฝืนมันไม่ไปทาตามมันยอมอดทนกับความหงุดหงิดความลำคาญใจไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกําลังพอหมดกําลังแล้วใจเราก็กลับมาสงบเป็นปกติ หรือถ้าเราเนี๊ยกำลังที่จะทําใจให้สงบเราก็ทําไปนั่งกลับไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบความหงุดหงิดลาคาญใจก็จะหายไปทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากจะทําอะไรที่มันเป็นโทษกับใจก็อย่าไปทําความอยากนี่มีสองแบบความอยากที่จะมาทําลายความสงบกับความอยากที่จะสร้างความสงบ ความอยากที่จะสร้างความสงบคืออะไรเช่นอยากมาทําบุญอยากมารักษาศีลอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอยากนั่งสมาธิอยากปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นความอยากที่จะทําให้ใจสงบทําได้ตามความอยากนี้แต่ถ้าอยากไปเที่ยวอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ร่างกายเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความอยากเหล่านี้จะทําให้ใจเราไม่สงบจะทําให้ใจเราไม่สบายเราต้องฝืนความอยากเหล่านี้ด้วยการทําใจให้สงบกลับไปนั่งสมาธิใหม่หรือฝืนไม่ไปทําตามยอมทนกับความรู้สึกที่ไม่ดีสักระยะหนึ่งแล้วไม่นานความอยากนั้นมันก็จะหมดกาลัง พอหมดกำลังแล้วใจของเราก็จะสงบมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรการไม่มีอะไรนี่ดีกว่าการมีเพราะถ้ามีแล้วก็ต้องมีความทุกข์กับสิ่งที่เรามีคนที่ไม่มีแฟนเขาก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟนคนที่มีแฟนเขาก็ต้องทุกข์กับแฟนต้องห่วงแฟนต้องห่วงแฟนแล้วต้องเสียใจเวลาแฟนจากไป คนที่มีลูกก็ต้องทุกกับลูกคนที่มีอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งที่มีแต่คนที่ไม่มีก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่คิดกันไม่รู้กันเรากลับไปคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขมีลูกแล้วจะมีความสุขมีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆแล้วจะมีความสุขแต่เราไม่ไปคิดถึงเวลาที่มันไม่มี เวลาเราต้องเสียสิ่งที่เรามีไปเราจะรู้สึกอย่างไรและเวลาที่เรายังไม่เสียแต่เราคิดว่าจะต้องเสียเพราะของที่เรามีสิ่งที่เรามีนี้มันไม่ได้เป็นของที่ทเที่ยงแท้แน่นอนมันจะจากเราไปได้เมื่อไหร่เราก็ไม่มีวันรู้ได้มันก็เลยทำให้เรากังวลทำให้เราห่วงใยกับสิ่งต่างๆที่เรามี อันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไปถูกความหลงหลอกให้คิดว่าถ้ามีอะไรแล้วจะมีความสุขแต่ลืมมองไปว่านอกจากความสุขแล้วมันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยเวลาที่เราต้องกังวลกับของที่เรามีเวลาที่เราต้องเสียใจเวลาที่ของที่เรามีจากเราไป แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องกังวลกับอะไรเราก็ไม่ต้องเสียใจกับอะไรเราจะอยู่อย่างไม่มีอะไรได้เราต้องมีความสงบถ้าเราทำใจของเราให้สงบได้แล้วใจของเราจะไม่อยากได้อะไระไม่อยากมีอะไรเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราพออยู่แบบไม่มีอะไรได้ อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกได้เพราะท่านทาใจของท่านให้อิ่มให้พอด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการนักสมาธิด้วยการใช้ปัญญาคอยกาจัดความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบความสุขของใจท่านเลยไม่ต้องมีอะไรเมื่อไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทุกข์กับอะไร พวกเราตอนนี้มีอะไรเราก็ยังต้องทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่ร่างกายนี้เราก็ต้องทุกข์พระพุทธเจ้าไม่มีร่างกายแล้วภาษาวกไม่มีร่างกายแล้วท่านจึงไม่ต้องทุกข์กับร่างกายเหมือนกับที่พวกเราต้องทุกข์กันถ้าพวกเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายก็อย่ากลับมาเกิดอย่าไปมีความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มาเกิดเหตุที่ทาให้เรามาเกิดเพราะเรายังอยาก ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายกันเราเลยต้องมาเกิดกันแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่และขณะที่เรายังมีร่างกายอยู่เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะเราไม่ได้อาศัยร่างกายแล้ว เราพร้อมที่จะให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมที่จะให้มันตายเราจะไม่เดือดร้อนกับมันเพราะเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนีย่นี่คือเรื่องของการสร้างความสุขทางใจดับความทุกข์ทางใจที่พวกเราควรที่จะมากระทำกันให้มากถ้าทำได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ความสุขมากขึ้นไปเท่านั้น ความทุกข์ใจก็จะน้อยลงไปเท่านั้นจึงควรที่มาวัดบ่อยๆหรือถ้าไม่ได้มาก็ทาที่บ้านก็ได้ทาบุญทาทานรักษาศีลนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมไปแล้วความสุขทางใจจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์ทางใจจะน้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุด แล้วเราก็จะอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระสาวกอยู่แบบไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เรากาลังเป็นอยู่กันในขณน้านี้ตายไปเรายังต้องกลับมาเกิดกันเพราะเรายังอยากมีร่างกายยังอยากใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนแต่ถ้าเราหยุดใช้ร่างกายได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์กับอะไร นี่คือวิถีทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้ดำเนินมาแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ได้รับก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีความสุขไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้าง ความสุขทางใจมาลดความทุกข์ทางใจให้หมดไปด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปตามลําดับอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้